สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรร ม, มรับพุรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุโนโจากวัดป่าอนายโศกเวลามาพบกันท่านผู้ฟังในแต่ละวันของทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนื้อหาเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นมีเยอะแยะไปหมดเพราะว่าสิ่งที่พระบุรุเจ้าสอนไว้เนี่ย มันเยอะแยะไปหมดคือบางคนอาจจะคิดว่า45ปีโห45ปีพูดกันมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วทำไมยังไม่หมดนั่นก็เป็นเพราะว่าโดยอัทะก็แยกแยะแจกแจงแต่ก็ไปโดยเพียรชนะแต่ก็มีเรื่องราวให้วิเคราะห์วิจารณ์แต่เขาก็มีการทำเป็นขยายความบ้างย่อความบ้างให้จำได้บ้างโดยบทโดยเพียรชนะอ้าวแปลกันไปจะเป็นภาษาต่าง เราเป็นภาษาต่างๆแล้วมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของไวยากรณ์และทตนี้ถ้ามีการพูดถึงเรื่องของไวยากรณ์เรียนหลักภาษาในหลักภาษาก็เป็นอีกคะแนนหนึ่งพูดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีเนี่มันก็เลยจึงมีเรื่องราวให้พูดคุยให้ศึกษาให้ทําความเข้าใจกันมากมายแต่ถึงแม้จะมากมายในลักษณะไหนก็ตามท่านผู้ฟังความที่เราจะสามารถเข้าใจธรรมะได้ เ, เราไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้กันเป็นหลายๆปีก็ได้แต่หลายปีหรือไม่หลายปีเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นตรงนี้แต่ประเด็นคือมีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราศึกษาทําความเข้าใจทําการปฏิบัติให้เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนั้นนี่คือสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดการปฏิบัตินํามาใช้งานในชีวิตประจําวันของเราทําให้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่า มีธรรมะเป็นเป็นการดําเนินชีวิตแตการดําเนินชีวิตเป็นธรรมะตจำฝังธรรมะเป็นการดําเนินชีวิตแต่ไม่ใช่เอ่อเป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสืออเราไปอ่านศึกษาทําช่วงเวลานั้นไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นดีอันนั้นดีไม่แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรือว่าเป็นเฉพาะเวลาที่เรามาวัดตั้งสมาธิหรือไปทําบุญที่วัดอันนั้นคือเราพยายามเข้าหาธรรมะอันนั้นดีอันนั้นดีแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้น หรือเฉพาะเวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมตามสถานีวิดิโอก็ตามอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ตามฟังเทศอยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ตามเนี่ยอันนั้นก็ดีแต่นัธรรมะมันไม่ใช่แค่นั้นธรรมะมันยังกินความกว้างขวางไปถึงขณะที่เราขับรถอยู่ถึงขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนถึงขณะที่เราทํางานอยู่ที่ทํางานถึงแม้ขณะที่เราแบบพูดคุยกับคนอื่นแต่พูดคุยกับคนอื่นเราก็ ต้องมีการศึกษาทําความเข้าใจทําการปฏิบัติของธรรมะให้เกิดขึ้นได้เพราะเม่อไร่ก็ตามที่เรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะในขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันของเราธรรมดาธรรมดากินข้าวอืก็ทําได้ทำธรรมะให้เกิดขึ้นได้อาบน้ําดูหนังพูดคุยกับญาติก็ตามพูดคุยกับเพื่อนก็ตามพูดคุยกับคนที่เราไม่ชอบก็ตามแต่พวกนี้เรา พยายามทำธรรมะให้เกิดขึ้นให้ได้นีตรงเนี้มันจะดีเพราะว่าตรงนี้เป็นโอกาสทั้งสิ้นเลยเป็นโอกาสเป็นโอกาสในการที่เราจะสร้างชีวิตของเราให้มีธรรมะพอชีวิตของเรามีธรรมะแล้วเนี่ยตรงเนี้มันช่วยเรื่องของภาษะเพราะว่าภาษาของเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาผภาษาทางตาหูจมูกลิงกายใจเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยๆตลอดตลอดเวลานอนก็ไม่เว้นอย่างที่เคยว่าไม่ว่าจะนอนอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำอยู่ ก้าวไปข้างหน้าเคขยกลับไปข้างหลังพวกอที่เราฝึกธรรมะให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเอาตรงนั้นเอาตรงที่เราระลึกได้เราระลึกได้ที่ไหนทําตรงนั้นทําความเข้าใจตรงนั้นในเรื่องใดๆบ้างเรื่องสติก็ได้สตินี่ได้ตลอดเวลาแล้เรื่องของการมีสัมปชัญญะเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบอันนี้ก็ได้ตลอดเวลาเอาเวลาจะพูด มีสติระลึกได้มีความเห็นที่ถูกอา้าวขอพูดเป็นสัมมาวาจาในเวลาที่จะทําการทํางานทํางานอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเป็นการล่อล่ำด้วยลาบไม่ทําอย่างนี้อันนี้นก็เป็นสัมมาอาชีวะและมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามังแปดอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่เราทํทาธรรมะ ให้เป็นวิถีชีวิตทำวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นธรรมะนั้นะมันจะดีมากๆเลยจะดีมากๆดีทั้งกับตัวเราเองด้วยดีทั้งกับคนอื่นด้วยดีทั้งกับผู้สอนด้วยนะเพราะว่าผู้สอนนั้นก็ไม่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมที่ตัวท่านสอนแต่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สอนนะเออพสอนแล้วคนฟังสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคาสอนนีเอาไปปฏิบัตนะิปฏิบัติดีด้วยเป็นสุ ป, ปฏิปันโนด้วย สาวกคือผู้ฟังคําสอนออกไปปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนเออมันดีทําให้ผู้สอนเนี่ยไม่ลําบากด้วยเหตุต่างๆแต่มันก็ดีกันหมดอ่ะทั้งคนสอนคือพระพุทธเจ้าดีกันหมดอ่ะทั้งสิ่งที่สอนคือธรรมะดีกันหมดอ่ะทั้งคนที่เอาไปทำนั่นคือผู้ปฏิบัติผู้ฟังคําสอนเหล่านี้มันดีดีอย่างเนี้ยมันทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้โดยในการนี้ข้าพเจ้าก็มาพบกับท่านบุฟังในแต่ละวันเนี่ยอย่างวันจันทร์อย่างนี้ ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นหัวข้อธรรมะใดหัวข้อธรรมะหนึ่งนํามาพูดอภิปรายขยายความในลักษณะที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติในชีวิตประจําวันวันนี้ก็เหมือนการทบฟังวันนี้ก็เหมือนกั น, น, น, ก น, กนแต่เรื่องที่จะนำมาให้ฟังพูดคุยในวันนี้เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัตินะเป็ น, ข, ป น, คคปนป ข, ข้อปฏิบัติอันบุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยาก เป็นใบเพื่อขุดเคลาวกิเลสอย่างยิ่งนั่นก็คือทุโดงขวัตแต่คือข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเคลากิเลสอย่างยิ่งคือทุ ด, ดงขวัตใ น, นบททุญ ค, คดดลังหนึ่งคําว่าทุ ด, ดงขวัตนั้ น, น, นลหลายๆคนจะมีความเข้าใจถึงโอ้มันต้องเดินนะ่ะเห็นพระเคยแบกกรดสะพายบาดเดินไปเห็นพระเคยทําอย่างนี้เขาก็มีศัพท์เรียกว่าโอ้นี่พระทุ ด, ดงนะ ก็เลยมีความเข้าใจาอ๋อพระที่ทำอย่างนี้คือพระทุ ด, ดงนั้นทุ ด, ดงคือกิริยาที่เป็นไปในลักษณะว่าเดินไปลําบากบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่เป็นความเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคําว่าทุโ ด, ดงนี้มาจากภาษาบาลีที่เรว่าทุตังคะอันนี้ก็เหมือนถึงองค์คุณเครื่องกําจัดกิเลสแต่องค์คุณเครื่องกําจัดกิเลสคําว่าองค์คุณเครื่องกําจัดกิเลสนั้นอันนี้ก็เป็นข้อปฏิวัติที่เพิ่มเติมตามมาฝังไม่ได้บังคับแต่เพิ่มเติมให้กระทํา เพราะบางทีมันก็ทําได้ยากแต่บางคนเขาก็เลยแปลว่าอาข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเป็นไปเพื่อคุยกรอมกิเลสอย่างยิ่งแต่รักษาเดิมให้มีความเข้าใจว่าคือองค์ุลเครื่องกําจัดกิเลสแองค์ุลเหล่านีมน้มันเป็นไปได้อย่างไงทําไมถึงกําจัดกิเลสได้แล้วมีกี่ข้อนะคือทุ ด, ดงนั้นมี13ข้อทุ ด, ดงขวัตนะคือข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเพื่อที่จะเป็นองคุลเครื่องกําจัดกิเลสทําให้กิเลสมันลอกออกไปได้เนี่ยมีทั้งหมด13ข้อด้วยกัน 13ข้อต่างๆเหล่านี้แต่และข้อก็จะมีวิธีการปฏิบัติแต่ข้อปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่เรามาทําความเข้าใจในแต่และข้อก่อนว่าไอที่ปฏิบัติได้ยากไม่ใช่ว่าบังคับให้ทุกรูปทุกคนทําได้แต่ว่าใครต้องการที่จะกําจัดกิเลสขูดเกากิเลสมากขึ้นก็ทําข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้อันแรกก็คือเรื่องของการที่อยู่ป่าแต่ก็่าอยู่ป่านั้นก็หมายความว่า อยู่แยกออกจากหมู่หรืออยู่ที่มันไกลจากการที่จะต้องอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านที่มันจะมีเสียงอึกทึกกึกโครมมีคนเข้าออกเยอะแยะเดี๋ยวก็จะมาไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์บ้างเดี๋ยวก็เข้ามาเยี่ยมพระองค์นั้นองค์นี้บ้างเนี่ยมันก็ไม่หลีกเล่นละมันก็ต้องไปปลีกวิเวกนิดหนึ่งการไปอยู่ในที่ที่มันวิเวกแล้วก็เป็นลักษณะการที่เราไปอยู่ป่าตามรล่าป่าตามอะไรพวกนี้ ลักษณะของเรื่องที่จะเป็นที่อยู่เกี่ยวกับที่อยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4่ข้อด้วยกันนั่นก็คือการอยู่ป่าการอยู่คนไม้การอยู่ปาา่าช้าหรือว่าการอยู่กลางแจง้งแต่คาว่าป่าในที่นี้นั่นในวัดได้ไหมวัดป่าอย่างนี้ได้ไหมแต่คาว่าป่าเนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะก็คือว่าลีกออกจากหมู่บ้านแต่เพราะนั้นอยู่ในที่ที่มันจะพอสงดเงียบได้ แล้วคือีวนี้วัดป่าบางแห่งเนี่ยเราก็อยู่ในหมู่บ้านนะเพราะว่าหมู่บ้านมันขยายออกมาไกลแล้วและป่าเดี๋ยวนี้ที่จะไปอยู่ได้อย่างห้วยขาแข้งเนี่ยเขาก็ไม่ให้พระภิกษุเข้าไปอยู่ละเป็นที่ที่เรียกเรื่องป่าสงวนแต่ป่าสงวนนี่มันก็สงวนไว้อะไม่ใช่ว่าใครๆเขาก็จะเข้าไปได้สงวนไว้เป็นสําหรับสัตว์บ้างสัตว์ป่าบ้างเก็บพันธุ์พืชบ้างซึ่งเขาก็ไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ป่าแบบเดิมนี้ก็ก็จะไม่ได้ สมัยปัจจุบันก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วก็อยู่วัดป่าบ้างอย่างนี้ซึ่งข้อปฏิบัติที่ว่าอยู่ป่านี้แต่บางทีบางท่านก็จะกําหนดเอาไว้ว่าต้องห่างจากเมืองห่างจากหมู่บ้านเนี่ยกี่กิโลเมตรแหมแล้วเขตของหมู่บ้านนี่บางทีมันก็บอกยากแต่มันก็ขยายไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอยู่ป่าเนี่ยจุดประสงค์จุดประสงค์ของการที่มาอยู่ป่านี่ก็เพื่อที่จะอยู่ไปในการหลีกเล้นในการที่จะแยกออกจากหมู่ ในการที่จะไม่คุศล ก, กันในการที่จะสันโดษในการที่จะทําความเปลี่ยนให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถามว่าทําไมตรงนี้ถึงทําได้ยากทำไมถึงไม่ได้ว่าบังคับให้ทุกคนทํานั่นเพราะบางทีอย่างภิกษุป่วยอย่างเงี้ยไม่สบายในการที่ต้องไปอยู่ในเมืองในโรงพยาบาลหรือมีคนดูแลอันนี้มันก็ต้องจําเป็นเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ถ้าต้องการความวิเวกหลีกเล่นการที่จะมากุศล ก, กิเลสเพิ่มเติมเขาก็ไปอยู่ป่า ในนินมิตของที่อยู่นี้ก็มีอยู่ด้วยกันสข้อด้วยกันก็คืออยู่ป่าบ้างหรือว่าอยู่โคนไม้บ้างแต่คําว่าอยู่โคนไม้ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงป่าก็ได้อาจาจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเมืองแล้วก็ไปอยู่อาศัยใต้โคนไม้แต่ซึ่งคําว่าใต้โคนไม้เนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้มีที่มุงบังอะไรที่มันจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ที่มันจะแบบปิดบังได้ในลักษณะที่เหมือนอย่างกุฏิ จต้องอยู่ในป่าใช่ไหมคนอาจจะสร้างกุฏิอยู่ได้แต่ถ้าอยู่โคนไม้เนี่ยคือเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าไอ้ที่มุงหัวเนี่ยคือโคนไม้คือต้นไม้ปรากฏเอาไว้อยู่ใต้โคนไม้อันนี้ก็ทําได้อันนี้เป็นทางเลือกที่2องนะ ค, คือการอยู่โคนไม้อันนี้3นั้นคือเรื่องของการอยู่ป่าชา้านะป่าช้านี่ก็คือหมายถึงป่าช้าเผาศพป่าช้าฝังศพป่าช้าผีดิบหรือป่าช้าแบบต่างๆเล่นะได้ทั้งนั้น ป่าช้าก็คือที่เขาจะเอาศพมาเอาไวนะ้ไม่เหมือนกับป่าทั่วไปป่าทั่วไปก็เป็นต้นไม้เป็นแมกไม้เป็นพันธุไม้ไปแต่ป่าช้าเนี่ยบางทีอาจจะมีต้นไม้น้อยกว่าป่าด้วยซ้ําแต่มีศพเยอะนะเขาเอาศพมาทิ้งป่าช้าผีดิบก็คือเอามาทิ้งไว้ไม่ได้เผานะเป็นผีสดๆนี่แหละแล้วนะก็คือยังไม่เผายังไม่สุกถ้าสุกแล้วกระดู ก, กับเนื้อห น, นังก็คงจะไม่มีนี่มันก็จะเห็นกระดูกโคลโลอยู่ แต่ช่การที่ไปอยู่ป่าช้าเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่สําหรับคนที่ขี้กลัวพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปอยู่ป่าอย่างที่เคยบอกท่านพระอุบาลีเอาไว้นะว่าการไปอยู่ป่าเนี่ยสำหรับภิกษุที่ยังไม่ได้สมาธิเนี่ยจิตจกจมลงจิตจกปริวไปแต่ในขณะที่ถ้าบอกว่ามีจิตเป็นสมาธิแล้วเออไปอยู่ป่าเดี๋ยวดีแต่ไปอยู่ป่าช้าก็ตามป่าชัดก็ตามแต่ป่าช้าก็คือหมายถึงอย่างที่ว่าเป็นป่าช้าที่ที่จะสําหรับฝังศพ ซึ่งเขาก็จะเอาไว้ในเขตนอกเมืองเขตที่มันเป็นชานชานเมืองไปก็เป็นป่าป่าในสามที่คนไทยใช้ก็เลยเรียกว่าป่าช้าที่ที่มันจะไม่มีคนอยู่หรืที่มันจะไกลาจากหมู่บ้านเขาก็เลยเรียกว่าป่าช้าส่วนป่าทั่วๆไปนี่ก็จะแตกต่างกันไปอีกอย่างหนึ่งแต่ซึ่งข้อดีของการที่จะไปอยู่ป่าช้านี่ก็คือได้พิจารณาซากศพนั่นเองและมีข้อปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับกายคตาสติที่ว่าเราสามารถที่จะ พิจารณาเห็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพแต่ตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างมีสีเขียวขึ้นพองน่าเกลียดอันนี้ก็พิจารณาได้หรือว่าตายแล้วมีเศษเนื้อติดอยู่บ้างมีเลือดติดอยู่ตามกระดูกบ้างมีเอ็นรึงรัดอยู่หรือว่าเนื้อเลือดนี่มันหมดแล้วแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่หรือว่าเอ็นที่มันรึงรัดมันก่อขาดออกแล้วกระดูไปคนละทิศละทางแต่พิจารณาอย่างเนี้ย เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้การระลึกถึงการแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวเราแต่ประเด็นคือตรงนี้นะเห็นสิ่งภายนอกอย่างนี้แล้วก็น้อมก็ามาสู่ตัวเราว่าแม้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรยายคตสติก็จะมีโอกาสได้พิจารณาแล้วคนที่อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรือว่าอยู่ในป่าช้าพวกนี้รวมถึงข้อที่4คือเรื่องของการอยู่กลางแจ้งด้วยเนี่ยก็จะสามารถสังเกตเห็นสิ่งต่างๆภายนอก ได้คือเห็นพระจัน์มันคล้อยไปเห็นพระที่ย์มันคล้อยไปเนี่ยมันจะทําให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆแต่ของสิ่งภายนอกได้คือถ้าเราอยู่ในบ้านในอาคารเนี่ยบางทีฝนตกนี่ก็ไม่ทราบด้วยซ้ำฝนตกอาจจะทราบแต่บางทีบ่ายแล้วเย็นแล้วทํางานเพลินไปลืมไปเราก็จะไม่ทราบได้วยซ้ำคือไม่เห็นความไม่เที่ยงแต่ถ้าอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรมุงศีษะ เ, เช่นการอยู่คนไม้หรือการอยู่กลางแจ้งเนี่ย หรือว่าอยู่ในปา่าเห็นใบไม้ร่วงเห็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงได้อันนี้จะเป็นข้อที่ดีได้ซึ่งมันต่างกับอยู่ในอาคารอยู่ในที่พักวิจิตพิสดารเลิศรู้มีแอร์ติดมันก็จะต่างกันไปนะอันนี้นก็จะสบายหน่อยแต่ถ้ามาอยู่อยู่ปา่าอยู่โคนมากอยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าพวกนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงก็ทํามาก็เกี่ยวกับเรื่องของปากท้อง เรื่องของการรับประทานอาหารก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนั่นคือคนที่ถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือนั่งฉั้นที่อัศนะเดียวนั้นลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นคําว่าบินธบาตเป็นวัดนั้นก็คือหมายถึงว่าไปแสแบงหาอาหารด้วยปลีแค่งของตัวเองแต่แสแบงหาอาหารด้วยปลีแค่งของตัวเองก็คือต้องออกไปพิกาจ า, านพวกแง่ก็ออกไป ข, อ น, ะะ อ, ไปขอนั่นแหละแต่การออกไปขอนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยก็เรียกว่าบาท นะบาทนี่ก็เป็นบาทเล็กก็ตามบาทกระเบื้องก็ตามละ่ะถือออกไปเพื่อที่จะหาอาหารนะขออาหารนี่คือการไปบิณฑบาตซึ่งการไปบิณฑบาตนั้นมันก็ต้องเดินแล้วก็ต้องไปหาผู้คนเวลาเข้าไปในหมู่บ้านก็ต้องมีข้อปฏิบัติล่ะสํารวมอินทรีย์อย่างไรห่มผ้าอย่างไรงถือบาทอย่างไรปิดบาทอย่างไรก้าวย่างอย่างไรก็มีรายละเอียดที่ต้องทําสําหรับภิกษุไปก่อนไปหลังไปตามลําดับอย่างไร ก็มีรายละเอียดที่จะต้องทําการศึกษาพัฒนาไปแต่ซึ่งถามว่าการบินธบาตเนี่ยการจะไปบินธบาติมันตรงข้ามกับอะไรแต่ที่เวลาไม่ใช่ทุนนงขวันก็เช่นว่าให้เขาเอาอาหารมาให้เลยแต่ไม่ได้ไปบิณธบาติเขาจัดอาหารมาให้หรือว่าการที่เขานําอาหารมาถวายที่วัดอันนี้ก็จะตรงข้ามกันคือเขามาวัดหรือเราไปหาอาหารหรือเขามาเอาอาหารมาให้แต่ม่ต่างกันตรงนี้เลยประการหนึ่งก็คือว่าเที่ยวไปจากบ้านนี้ไปอีกบ้านหนึ่ง นั่นคือไปตามหลังค่าเรือนอ่ะเรือนนี้รับตีละน้อยละน้อยอ่ะถัดไปถัดไปก็รับไปรับไปจนพออันนี้คือลักษณะหนึ่งเหมือนกันสําหรับการรับประทานาในที่นั่งแห่งเดียวนั่นก็คือว่านั่งลงเนี่ยกินเข้าไปกินจนพอแล้วลุกขึ้นแล้วก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นเซึ่งอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีนะพระพุทธเจ้าก็สนับสนุนให้ทําในเรื่องของการที่รับประทานในที่นั่งแห่งเดียวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นส่วนการปฏิบัติตามลําดับนั้น ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีก น, นเพราะว่าก็ต้องไปตามลําดับนหมายความว่าก็จะแยกไปไม่ได้ไปหาที่ที่มันจะหาอาหารได้ง่ายแต่าบางทีอาหารขาดแคล น, นเขาก็ต้องมีการจํากัดมีการให้คูปองพอมีการให้คูปองว่าต้องรับจากที่นี้คุณจะต้องตามลําดับละ่ะตามลําดับไปมากน้อยก็เลือกไม่ได้อาหารบางอย่าง ก, ก็เลือกไม่ได้อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของปากท้องนั้นก็คือการฉันเฉพาะในบาท ในบาตเนี่ยเป็นภาชนะที่เรียกว่าเป็นภาชนะเดียวเดี๋ยวจะแบบของร้อนจะไม่ใส่ร่วมกับของเย็นมันก็ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในบาตเดียวกันน้ําจิ้มจะแยกออกไปกับอันนี้ก็ไม่ได้ละมันอยู่ในบาตเดียวกันแดีสิ่งที่เป็นแกงเป็นกับจะแยกกันมันก็ไม่ได้ละมันอยู่ในบาตเดียวกันบางทีมกก็ปนนับ้างและสิ่งที่มันจะกินเค็มกินหวานอะไรต่างๆมันก็ต้องปนกันแต่ซึ่งตรงกันข้ามกับอะไรแต่ก็ตรงกันข้ามกับที่จะต้องมีภาชนะหลายๆใบ ข้าวกับจานหนึ่งกับข้าวอันหนึ่งแกงก็อันหนึ่งน้ำจิ้มก็เป็นถ้วยเป็นถ้วยแยกๆไปะมีช้อนส้อมบ้างมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการกินเยอะแยะอันนี้มันก็จะทําให้มีภาระมากขึ้นนั้นะมากกว่าอะไรก็มากกว่าคนที่รับประทานอาหารในบานะรนัประทานอาหารในบารเนี่ยภาชนะเดียวจบ่นะดูแลง่ายกินครั้งเดียวด้วยยิ่งดี่นะจบไปเลยว่าในเรื่องปากท้องก็มีแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องมีมื้ออื่นอีก เนี่ยไม่ต้องมีภาชนะหลายใบ แ, แค่นี้ก็จบมันก็จะเป็นการที่จะง่ายต่อความเป็นอยู่คือเครื่อง ค, ความง่ายเนี่ยมันก็แล้วแต่คนที่จะมองนะแต่ว่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทุดงควัตรในเรื่องของปากท้องนนัคือข้อที่4ส่วนข้อที่5้นั่นก็คือการที่ไม่รับอาหารที่เขานํามาถวายที่หลังอย่างกรณีของที่ไว้ป่าดอะไรโศพเป็นต้นเนี่ยเขามีเวลาถวายอาหารใช่ไหมถ้ารับอาหารเสร็จเรียบร้อย พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วจะเริ่มฉันพัะตาหารแล้วถ้าอะไรที่เอามาถวายหลังจากนั้นเอามาถวายหลังจากนั้นในขณะที่กําลังรับประทาอาหารกินข้าวอยู่เนี่ยนะก็ไม่รับไม่รับถ้าคนที่ปฏิบัติตามตุ้ดงขวัตข้อนี้เขาก็จะไม่รับแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามตุ้ดงขวัตข้อนี้เขาก็จะรับได้คืออันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ปลีกย่อยแยกย่อยลงไปแต่สําหรับเรื่องปากท้องอันนี้ก็คือข้อที่5 ถ้าข้อในเรื่องของปากท้องเรื่องของอาหารก็เป็นอย่างนี้ถัดมาหมวดที่สมเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่หผมนั่นก็หมายถึงจีวรของพระนั่นเองแต่ซึ่งสําหรับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมของพระที่เป็นตุดองขวัดเนี่ยก็มีอยู่สองข้อด้วยกันคือเรื่องเกี่ยวกับการถือผ้าบางสกุลแล้วก็การที่ถือผ้าสามผืนคําว่าผ้าบางส ก, กุลเนี่ยก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่ใช้แล้ว เนื้ัพท์ว่าบางสกุลนั้คือหมายถึงแปดเปื้อนเปื่อนฝุ่นเขาไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ซักให้ดีแต่มัน8ดเปื่อนมันเปื้อนฝุ่นละทิ้งอยู่ตามถนนบ้างทิ้งอยู่ตามป่าช้าบ้างเป็นผ้าห่อศพบ้างแต่ซึ่งการที่ผ้ามันเอาไปใช้งานอย่างอื่นแล้วเจ้าของเขาไม่เอาเขาทิ้งแล้วเขาไม่ได้ดูแลทําความสะอาดเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่มาของคําว่าบางสกุลแต่ซึ่งคําว่าบางสกุลนี้หลายๆคนไปใช้สับสนคําว่าบางสกุล แต่สกุลนี่หมายถึงตระกูลหมายถึงนามสกุลพวกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีสารูอีกตัวหนึ่งตรงซอเสือด้วย่ว่าผ้าบังสุกุลซึ่งผ้าบังสุกุลนี้ก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วแต่ซึ่งการไปหาเสวยหาตรงนี้มันก็ต้องเสวยหาตามกองขอยะสมัยก่อนพระสงค์นะหรือว่าเลยนไปตามทางมันมีผ้าตรงไหนเขาไม่ใช่ล้วก็ไปชักบังสุกุลเอามาเป็นสับที่พระภิกษุบางรูปเขาก็ใช้คือดูแล้วว่าเจ้าของเขาไม่เอา่ะ แต่ว่ามันยังเราไปยังพอจะใช้ได้แล้วก็ไปเอามาใช้ามาทําเป็นจีบออันนี้จะเป็นเหตุที่จีบอของพระเนี่ยทำไมเป็นชิ้ น, เ ป, น, นเป็นชิ้นมาต่อต่อกันแตเพราะว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วบางทีก็ไม่ได้ผืนใหญ่อะไรผืนเล็กๆน้อยๆเออถ้ามันขนาดพอจะทําเป็นอนุบาตได้เอาก็เอามาทําอาจจะมาทําเป็นขันเล็กขันใหญ่เอามาประม า, มาต่อมาใช้กันอย่างนี้ก็สามารถทําไดนะ้แล้วมันตรงกันข้ามกับอะไรก็คือตรงกันข้ามกับผ้าของเครื่องบัต และซึ่งผ้าของขาราบาดีนี่คือเขาจะต้องมีการตัดเย็ยบอย่างดีแนะี่มีการใช้ผ้าที่มาเฉพาะเจาะจงเพื่อการนี้โดยเฉพาะคุณภาพผ้านั้นก็จะเลือกได้ให้มันสอดคล้องกันนะคือทั้งผืนอาจจะเป็นผ้าประเภทเดียวกันแต่ในขณะที่คนที่ใช้ผ้าบางสุกุลเนี่ยทั้งผืนอาจจะไม่ใช่ผ้าประเภทเดียวกันล่ะอันนี้ได้มาจากป่านี้อันนี้ไ่้มาจากขยะนูน่นอันนี้คนนี้เขาเหลือทิ้งเขาให้มาอันนี้กับป่าช้าแห่งนั้น บางทีก็ผ้าโกลาสีดำดำดังดังเน่ยไม่เสมอกันอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ซึ่งนอกจากนี้ผ้าเคราบดีน่ยมีการตัดเย็บอย่างดีสีมันก็จะค่อนข้างเสมอกันด้วยทั้งสีทั้งคุณภาพผ้าเนื้อผ้าการตัดเย็บการใช้ได้ใช้อะไรพวกนี้ก็จะต่างกันนี่ยไม่เหมือนกันตรงข้ามกันส่วนอีกข้อ1นึ่เาเรียกว่าการใช้ผ้าสามผืนนต่ผ้าสามผืนนั้นก็หมายความว่ามีผ้าสามผือนอะ จะจะพูดเรื่องที่ตรงกันข้ามก็คือพูดที่ไม่ใช่ทุดดงควัตเนี่ยก็คือมีผ้ามากกว่า3ผืนหนุมพระมีผ้าอะไรบ้าง3ามผืนที่น้อยที่สุดที่จะต้องมีนึ่งก็คือสบงนึ่งก็คือที่ผ้านุ่งผ้าคลองด้านนอกคือผ้าจีวรหน่แล้วก็ผ้าห่มคือสังฆติแนึ่มี3ามผืนเป็นผืนน้อยที่สุดเป็นจํานวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีและมีน้อยกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้ามีอื่นๆอะไรบ้างอ่ะบางคนก็จะมีจีวรผืนที่สอง แต่บางคนก็จะมีผ้าปูนอนด้วยมีผ้าเช็ดบาดด้วยมีอังสะด้วยมีผ้าปิดฝีด้วยมีผ้านั้นมีผ้านี้เอาหลายอย่างแล้วก็มีบริการมากกว่านคนที่จะมีผ้าแค่3ามพื้นซึ่งในการปฏิบัติตรงเนี้ยบางทีก็จะมีขั้นวิกฤตขั้นวิกฤตนี้คือหมายว่า3ามพื้นแป๊ะเลยนหรือขั้นที่ไม่อุกฤษขั้นที่ไม่อุกฤตก็คืออาจจะมีอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างละพื้นละพื้น ซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ไปฏิบัติข้อนี้ก็อาจจะมีอย่างละหลายๆลายปนนืนเก็บสะสมผ้าไว้ตามที่พระบุทธเจาอนุญาตแต่ว่าในลักษณะที่จะเป็นผ้าสามปืนนั้นก็คือความที่จะมีบริการให้มันน้อยบริการเรื่องเกี่ยวกับผ้าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องนุ่ง hom เนี่ยให้มันน้อยนี่คือจุดประสงค์ส่วนอีกมวดหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่นันก็มีอยู่2ข้อด้วยกันก็นนคือการอยู่ตามเสนาสะนะในที่จัดให้หรือว่าการที่ถืออริยบท สแต่คือยืนเดินนั่งนะไม่นอนไม่ถืออิริยาบถนอนในข้อของการอยู่ตามเสนาสนะที่จัดให้นี้ก็คือเขาให้เราอยู่ที่ไห น, นเราก็อยู่ที่นั่ น, นไม่ได้เลือกมากไม่ได้เรื่องมากว่าโอ้ตรงนี้ไกลห้องน้ํานะโอ้ตรงนี้ไม่มีไฟนะโอ้ตรงนี้เอามันใกล้ๆหน่อยดีไหมอย่างเงี้ยไม่เลือกมากเขาให้อยู่ที่ไห น, นก็อยู่ก็จบแต่ก็เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายอันนี้ดีแต่จนถัดมาที่พูดถึงอิริยาบถ3 แต่เว <When, S 2> ้นอะไบทนอนคือมีอะบทยืนเดินนั่งอันนี้ก็มีหลายระดับแต่บางคนก็จะพูดถึงการที่ไม่หลับเลยก็คือหมายควงยืนเดินนั่งก็ไม่หลับในท่านั่งไม่หลับในท่ายืนแตื่นอยู่ตลอดอันนี้ก็กรณีหนึ่งหรือีกแบบหนึ่งก็คือว่าอาจจะหลับในท่านั่งได้หลับในท่านั่งแต่ก็ให้หลังตรงบางคนก็จะหลับในท่านั่งชนิดที่เรียกว่าเอียงเอียงหน่อยไม่ถึงกับร้อยแปบแบบนอนแต่ก็แบบเอียงเอียงกระเทเร่ ในการที่จะหลับมันก็แล้วแต่คนปฏิบัติแต่หวังแต่ว่าการที่ใครสคักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะปฏิบัติในข้อทุดงเขวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความที่เขาจะต้องใช้ความเปลี่ยนคนที่ทําต้องมีกําลังใจแต่ซึ่งในข้อปฏิบัติแต่ละอย่างใน13อย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าบางคนเนี่ยทำเพราะว่าแบบโง่เขลางมงายแต่จึงปฏิบัติในข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ คำว่าเขางมงายในที่นี้ก็คือไม่ได้เข้าถึงจุดที่มันจะเป็นไปเพื่อคุยกาวกิเลสแ ต, แต่คิดว่าเป็นข้อปฏิบัติอย่างได้อย่างหนึ่งนะงมงายไปอย่างนั้นไม่ได้รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงหรือว่าการที่ปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงําแต่ก็ว่าปรารถนาเลวซามถูกความหยาบครอบงำเนี่ยก็คือคิดว่าฉันปฏิบัติอย่างนี้แล้วแมมจะมีลาภสการะมากควรจะนับถืออย่างกรณีของท่านพระเทวทัตเนี่ยขอพระพุทธเจ้าว่าให้อยู่ป่านะขอพระพุทธเจ้า ว, ว่า ไม่รับประทานเนื้ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะดูแล้วเคร่งนดูแล้วคนจะได้นับถือมีราภสกสาราเกิดขึ้นอันนี้คือข้อที่2ว่าปรารถนาเร็วชามเป็นทรรอย่างนี้หรือในข้อที่3น้ำมัวเมาจิตฟุง้งซ่านพอจิตฟุ้งซ่านแล้วมันคิดไปเรื่อยจาผู้ฟังเฮ่ hey, ทำไมใช้เ ง, งินไม่บรรลุทําไมท่านถึงทำไม่ได้เอาลองถือตู้ดงขวัต ด, ดีกว่ า, าทำเพราะเห็นนี้ก็มีหรือว่าข้อที่สี่แปลว่าคนอื่นจะสรรเสริญ พระวุทธเจ้าจะสันเสริญเพื่อนผู้ประพฤติเราะมันจะสันเสริญนะว่าฉันมีข้อปฏิบัติเหล่านี้มีตู้ดงกวัตเนี่ยก็เลยทําอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังปรารบเหตุจากคนอื่นแต่ที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือทำเนี่ยเพราะว่าเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษต้องการขูดเกากิเลสต้องการอาศัยความเงียบส ง, งัดแี่ยนะจึงปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านี้และนี่คือจุดประสงค์ที่ดีที่แท้จริงที่ถูกต้องให้เข้าถึงข้อปฏิบัติที่ดี แือ้าเราจะปฏิบัติทุดดงควัตรให้มันถึงตรงนี้ว่าเออเพื่อที่จะเพียนเผากิเลสจริงๆริจังๆเพื่อที่จะให้มีความมักน้อยสันโดษแต่ไม่ต้องการให้คนเด่นมายกย่อ้เดินนะทําทุโดงควัตนะแต่ข้อทุดดงควัตมันไม่ใช่เดินมันคืประเด็นข้อทุดดงควัตนี่คือข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แต่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกฟังเป็นการสรุปตรงนี้ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่่ก็มีอยู่ทั้งหมด4ข้อคือการที่อยู่ป่าช้าอยู่คนไม้ อยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ป่าอันนี้4ข้อเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินปากท้องก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนั่นก็คือการที่ต้องไปเที่ยวบินตบาดการที่ต้องไปบิณตบาดตามลําดับการที่จะต้องรับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวการที่จะต้องคนที่เขาเอาอาหารตามมาให้แล้วก็ไม่รับแล้วหยุดแล้วแต่พอแล้วหรือว่าข้อที่5ก็คือการที่ใช้ภาชนะเดียวนั่นคือตัวอย่างคลุกเข้าอยู่ในบาตรใบเดียวนี้หมดนีน่คือ5ข้อเกี่ยวกับ เรื่องปากท้องนี่ก็เก้าข้อละส่วนอีก4ข้อที่เหลือในสองข้อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแบบเครื่องนุ่งหม่มเป็นผ้าบางสุกุลเก่ับการที่ถือผ้าสามผืนส่วนอีกสองข้อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ว่าถือเรียบทนั่งด้วยหรือว่าอยู่ตามเสนาสนะที่จัดไว้ให้ซึ่งบางอย่างก็สามารถปฏิบัติร่วมกันได้บางอย่างก็ปฏิบัติร่วมกันไม่ได้เช่นคนที่จะอยู่โคนไม้กับอยู่กลางแจ้งเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ ก็ต้องเลือกสักอันหนนหนึ่งแต่นี่คือลักษณะของทุงต้องฆวัตท่านผูังแต่จุดประสงค์หรือให้เข้าถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเป็นใบเพื่อขูดเกากิเลสอย่าไปสนใจแต่เพียงว่าคุณหนึ่งเขาจะยกย่องมีความปรารถนาลามกปรารถนาอยากได้ลาบสการะหรือว่าเข้าใจว่าคุณหนึ่งเขาจะยกย่องหรือจิตฟุง้งซ่านหรือเป็นคนงมงายแต่ให้ปฏิบัติเนี่ยเพื่อได้ให้เข้าถึงความที่มันจะขุดเกากิเลศ เป็นการมักน้อยเป็นการสันโดษเป็นองค์ธรรมเครื่องที่จะขจัดกิเลสได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสยัยใดใดเกี่ยวกับในเรื่องของข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่า น, นทุลวงขวัดข้อปฏิบัติอันบุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกากิเลสอย่างยิ่งแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของข้อปฏิบัติเหล่านี้มีอยู่รายละเอียดต่างๆก็อย่างที่ว่าแต่ถ้ายังมีข้อสงสยัยใดๆก็ติดต่อกันไม่ได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัติสมมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1ห่8 ตำบลดอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ com, p u r e t h a m, m a c o m p u r e d h m m a c o m จริปผ่าน